พันพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบ ว, ว่าบุคคลนี้เป็นราคะจริตบุคคลนี้เป็นโทสะจริตบุคคลนี้เป็นโมหจริตบุคคลนี้เป็นวิตกะจริตบุคคลนี้เป็นศรัทธาจริตบุคคลนี้เป็นญาณจริตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบอกอสุภากถาแกา่บ e, ุคคลผู้เป็นราคะจริตตรัสบอกเมตตาภาวนาแก่ผู้เป็นโทสะจริต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 คำว่าพระพุทธจักสูนี้เป็นชื่อของอินเดียโปรปริยัติยานกับอาสยานุสยายานจะมีได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะตรวจเช็คสรรพสัพตว์ได้อย่างละเอียดละออขณะ น, นี้ส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักสุแม้ด้วยสมันตะจักสุนอย่างไรคำว่าสมันตะจักสูก็คือสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานท่านกล่าวว่าสมันตะจักสุน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 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสวงหาเสาะหาค้นหาศีลขันใหญ่เพราะเหตุนั้นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคจึงชื่อว่าเป็นพระฤาษีหรือว่าพระองค์ีนทรงเสาะหาแสวงหาค้นหาสมาธิขันใหญ่ปัญญาขันใหญ่วิมุตติขันใหญ่วิมุตติญาณทัศนขันอันใหญ่แม้เพราะเหตุดังนี้พระองค์จึงชื่อว่าพระฤาษีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสวงหาเสาะหาค้นหาการทําลายกองแห่งความมืดใหญ่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 ดังว่าธรรมเนี่ยนะยกธงคือธรรมะเนี่ยโลกุตระธรรมเนี่ยเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าพรฤอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสวงหาเสาะหาคนหาซึ่งสติปทานสัมมปทานอิธิบาทอินทรพละโพชงอริยมรรคใหญ่นิพพานใหญ่เพราะฉะนั้นพระองค์จึงเชื่อว่าเป็นพรือษีก็สแสวงหาโลกุตระคุณสแสวงหาพระธรรมขันท์ทั้งปวงสแสวงหาการทําลายความมืดะน ะ, สะแสวงหาการรอบรู้ในทุกขาริยสัตว์เนี่ยนะ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 กวานรชนเนี่ยประทับอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าพระองค์ชื่อว่าเป็นฤาษีคือคนใหญ่ๆเนี่ยเขสแสวงหาพระองค์สรุปคําถามของอสรุปคําของโมคราชมนบว่าข่าแต่พระสักกะข่าพระองค์ได้ทูลถามปัญหามาแล้วสองครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระจักรสุทั้ง5ประการก็ไม่ได้ทรงพยากรแก่ข่าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ยินมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระเทพฤาษีมีผู้ถามปัญหาเป็นครั้งที่สามย่อมทรงพยกรอันนี้ก็เป็นคำปรารถบรำพึงที่ผ่านมานะถามมาแล้วสองรอบนะครั้งที่สามองค์ต้องตอบแน่ทีนี้ก็คำต่อไปว่าโลกนี้โลกอื่นพรหมโลกกับเทวโลกย่อมไม่ทราบความเห็นของพระโคดมผู้ทรงยศ คือไม่มีใครรู้ว่าอความเห็นที่ทิของพวกองค์นี่เป็นยังไงว่างั้นคำว่าโลกคือโลกทั้งหมดเนี่ยนะโลกทั้งหมดแต่ว่าตรงนี้ยกมนุสโลกนี้นะโลกโลกนี้คือมนุสโลกนอกจากมนุสโลกเรียกว่าโลกอื่นพรหมโลกกับเทวโลกความว่ามูสัดพร้อมทั้งสมณพราหม์เทวดาและมนุษย์เพราะะนั้นชื่อว่าพรหมโลกกับเทวโลก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 คำว่าพระโคโดมผู้ทรงยศคือพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงถึงยศแล้วคือทรงมียศอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเทวดาและมนุษย์สักการะเคารพนับถือบูชายาเกรงทรงเป็นผู้ได้ไตรจีวณนนะคือบินจีวณบินธบาเสนาสนะกิฬานปัจจัยเพศสัตวบริขารเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้ทรงยศคำว่าทรงยศคือมีผู้เคารพสักการะนับถือบูชามากเป็นผู้ที่ได้ปัจใจสีมาก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 คำถามว่าพิจารณาเห็นโลกอย่างไรคือมองเห็นเห็นประจักษ์พิจารณาเทียบเคียงเจริญทําให้แจ้งอย่างไรพิจารณาโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นคือมัจจุราชไม่เห็นไม่แลเห็นไม่ประสบไม่พบไม่ได้เฉพาะแปลโดยอัฏฐะเขาบอกว่าพิจารณาโลกอย่างไรจึงจะเลิกตายถ้าพูดแบบภาษาไทยเราอะนะแต่พูดสัมโนนท่านก็บอกว่า ้าพระองค์มีความต้องการด้วยปัญหาจึงเข้ามาเฝ้าพระองค์ผู้เห็นธรรมะอันงามอย่างนี้เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงไม่เห็นเห็นโลกอย่างไงจึงจะเลิกตายะสรุปก็คําถามเจริญวิปัสนาอย่างไรจึงจะบรรลุนิพพานอันนี้อีกคําถามหนึ่งนะกะ็อันเดียวกันนั่นแหละพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนโมคราชท่านจงเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ เจริญสุญญานุปัสนาเลยนะโลกะนะเดี๋ยวจะกล่าวอีกครั้งถอนอัตานุทิฏฐิเสร็จแล้วเพึงข้ามพ้นมัจจุราชด้วยอุบายอย่างนี้เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างนี้มัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นนะต้องมีสติเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์หรือเป็นอนัตตานี่นะถอนอัตานุทิฏฐิแล้วก็ข้ามพ้นมัจจุราช นี่แหละวิธีนี้แหละจากมัจจุราชจึงจะมองไม่เห็นว่าจะเลิกตายเหมือนกันว่าโลกโลกที่ว่าเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เนี่ยนะโลกก็คือโลกนรกเดรัจฉานเปรตติวิสัยมนุษย์เทวดาอันนี้ียดว่ากล่าวโดยภูมินะโดยภูมิโดยมูสัตว์ก็คือนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาครัพูดแบบสภาวะก่อขันธาตุอายตนะแต่แบ่งเป็นนี้ก็โลกนี้โลกอื่นพรหมโลกกับทั้งเทวโลก ภิกษุรูปหนึ่งทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโลกโลกดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสว่าโลกเพราะเหตุเท่าไหรเนอแหละคำถามเกี่ยวกับเรื่องโลกนะอะไรคือโลกชื่อว่าโลกด้วยเหตุเท่าไหรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนภิกษุเรากล่าวว่าโลกเพราะเหตุว่าย่อมแตก อะไรแตกล่ะก็จักสุแตกรูปแตกจักขู่วิญญาณแตกจักขูสัมผัสแตกแม่สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะจักขู่สัมผัสเป็นปัจจัยเนี่ยก็แตกเรียกว่าโลกแตกหูแตกจมูกแตกหูแตกเสียงแตกโสตะวิญญาณแตกโสตะสัมผัสแตกแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุกขมาสุขเวทนาที่มีโสตะสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตก จะมูกแตกกลิ่นแตกคานะวิญญาณแตกคานะสัมผัสแตกแม่สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกลิ้นแตกรสแตกชิวหาวิญญาณแตกภาษะแตกชแม่สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกเหมนกังกายแตกโพธภาพแตกกายวิญญาณแตกกายสัมผัสแตกแม่สุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมสุขเวทนา ที่มีกายสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกมโนแตกธรรมรมแตกมโนวิญญาณแตกมโนสัมผัสแตกแม่สุขเวทนาทุกขเวทนาทุก ข, ข, ขมสุขเวทนาที่เกิดเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกดูก่อนพิสูจเพราะธรรมะสามสิมีตาเป็นต้นนั้นย่อมแตกเพราะเหตุนั้นเราจึงกล่าวว่าลูกลูกแตกแน่นะใครไม่ตาแตกมั่งนะไม่แตกวันนี้เดี๋ยวสับเปล่าก็ทําให้แตกวันหน้าแลนะ หูแตกจะหมกลิ้นกายใจแตกหมดแล้วบางันพราจริงๆคำว่าโลกเพราะของแตกบางันเห็นในของที่มันแตกโดยความเป็นของศูนย์เห็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของว่าง น, นะคือจงพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ น, นะความว่าบุคคลย่อมพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์ด้วยเหตุ2ประการคือด้วยกําหนดว่าไม่เป็นไปในอํานาจอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นของว่างเปล่า อันเนี้ยศูนย์เนี่ยนะศูนย์ก็คือว่างอ่ะนะว่างเพราะว่าไม่เป็นไปในอำนาจอย่างหนึ่งกับศูนย์โตคือว่างเปล่าเนี่ยอย่างหนึ่ง